หลวงพ่อนะถนัดถนัดสอนโยมมากกว่าสอนพระโยมพิธีมาน้ำมากก็มีเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อสู้กับโยมมาหลายปีชำนาน <c oughs> แกพระแนละ้วบางทีพรรษาเยอะกว่าเรานะพูดลำบากแต่ตอนนี้ทักษาก็เริ่มเยอะขึ้นนะ <c oughs> แลหลวงพอมีมีมนกลับใจ ใครมาฟังทำหลวงพ่อนะมีเยอะนะแต่ก่อนกระทั่งโยมมาจากสำนักน้นสำนักนี้มาชวนเราเถียงด้วยมาโดนมนต์กลับใจนะไปไหนไม่รอดนี่เยอะมากเลยสภาวะอย่างนี้เคยเกิดสมัยพุทธกาลก็เกิดพวกเดรตีทั้งหลายนะ่สั่งกันบอกอย่าไปคุยกับพระสมณะโคดมนะ ถ้าคุยกับพระสมณะโคดมนะเสร็จหมดเลยถามว่าเสร็จอะไรอะไรเป็นมนกลับใจคือความสมบูรณ์ด้วยอัฏฐพยัญชนะด้วยเหตุด้วยผลนะของธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองลำพังธรรมะของหลวงพ่อเขคงกลับใจใครไม่ได้หรอกกลับใจตัวเองยังไม่ได้เลยแต่ละคนนะมีธรรมะของตัวเองนะบางคนชอบคิดธรรมะเอาเอง กลับใจตัวเองยังกลับไม่ได้เลยก็สู้กิเลสไม่ไหวธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนแรกที่กลับใจได้คือตัวเราเองอย่างเราหัดภาวนานะเราเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมอะไรเนี่ยเราหัดภาวนาไปพอเราเห็นคุณงามความดีเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมขึ้นมามันจะเกิดมีศีลมีธรรมขึ้นมาเองจะทำกรรมชั่วอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่ทําแล้วละอายใจมันเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตในใจตัวเอง คนแรกเลยที่ถูกกลับใจนะคือคนคือตัวเราเองนี่นี่ถ้าเราเข้าใจธรรมะซึ่งมันถึงพร้อมด้วยเหตุด้วยผลแล้วนะพิสูจน์ได้ทุกขั้นทุกตอนไม่ใช่ธรรมะฟลุกฟลุกไม่ใช่ของฟลุกฟลุกว่าทำทำไปเหอะเดี๋ยวก็แจ้งเชื่อๆ ช, ชื่อไปเหอะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านบอกสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะคือเนื้อหาและพยัญชนะนะคือถ้อยคา น, นั่นเอง มีเหตุมีผลสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเังนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะเต็มที่แล้วนะมันจะองอาจกล้าหาญนะไม่หวั่นไหวสามารถพูดชี้แจงแสดงเหตุผลได้กับคนซึ่งไม่ใช่พวกดื้อรัน้นกับพวกดื้อรั้นก็ต้องปล่อยไปถ้าไม่ดื้อรัน้นเป็นคนยอมรับในเหตุผลนะ ฟังแล้วจะรู้เลยธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเต็มไปด้วยเหตุผลเหตุผลของธรรมะเรียกว่าปัจจัยากาลเรียกอิทับปัจจยาตาบ้างนั้นท่านพุทธทาสเรียกหลายอย่างเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเนะี่ยทำไมท่านสอนให้รู้ทุกนะถ้าไม่รู้ทุกจะเกิดสมูทยัยนะถ้ามีสมูทยัยจิตจะมีความทุกขเนะีย จะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลพิสูจน์ได้ไม่ใช่ตรร ก, กะลอยลยด้วยแต่พิสูจน์ได้จริงๆรงนะิผู้ใดมาหัดเจริญสติพอสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยเราจะอจจัศจรย์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้สึกกูเก่งนะแต่จะรู้สึกอจจัศจรย์ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านถ่ายทอดมาธรรมะจริงๆก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าธรรมะเป็นของกลางนะพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ไปนค้นพบ กดของธรรมะนี้เข้าแล้ามาถ่ายทอดต่อเราก็ยกย่องว่าเป็นธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าพูดเต็มยศนะก็คือธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อๆเลยเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไปพอนะเราภาวนาไปเราจะเห็นเลยโอ้โหอศัศจรรย์พนอะเรามีสติขึ้นมาปับ๊บความทุกข์กระเด็นหายไปจากใจเราได้เป็นเรื่องแปลกนะ เรามีสติขึ้นมาเราจะเห็นในโลกนี้ว่างเปล่านเห็นเข้าไปได้ยังไงแปลกจะเคยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวมีตนมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาพอมีสติมีปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นกลับเห็นโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สภาวะธรรมล้วนๆที่เป็นรูปประธรรมบ้างนามาทำบ้างสภาวะธรรมทั้งหลายก็ไม่เคยหยุดนิ่ง สภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยสัมผัสเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะไม่หยุดนิ่งแล้วก็ไม่ใช่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามยถากรรมแต่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจใจของมันนะนั้นสิ่งทั้งหลายในจั ก, กรวาลที่ปรากฏนี้ล้วนแต่เป็นปรากฏการ์ทั้งหลายนี่ล้วนแต่เป็นการทำงานขึ้นมาของสภาวะธรรมที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งสิ้น จะเห็นเลยทั้งจั ก, กรวาลไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวธรรมของรูปธรรมและนามธรรมมันทํางานไปมันเคลื่อนไหวไปมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบังคับให้หยุดนิ่งไม่ได้ไม่มีใครสั่งได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเหตุของมันเนี่ยพระพุทธเจ้าไปคนพบสิ่งเหล่านี้เข้าเอามาสอนเราเราก็ตามรู้ตามดูมีสติขึ้นมา พอเรามีสติขึ้นมาเราก็เห็นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันพอเห็นแล้วอะไรเกิดขึ้นใจก็ไม่ไปยึดถืออะไรในโลกไม่ยึดถือตัวเองก่อนพอไม่ยึดถือตัวเองปับ๊บลบตัวเองออกไปปุ๊บก็คือจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแต่เดิมนะเราอยู่ในธรรมชาติเราก็ไปขีดวงของรูปธรรมนามธรรมจำนวนหนึ่งขึ้นมาว่านี่คือตัวเรา ทันทีที่ขีดวงของตัวเราขึ้นมันก็เกิดตัวเขาขึ้นมาอัตโนมัติเลยเหมือนเราจุดไฟขึ้นมาก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาอัตโนมัติเลยมีตัวเราก็มีตัวเขามีตัวเราก็มีของเรามีตัวเราก็มีของเขาพอลบความเป็นตัวเราออกไปสัอย่างเดียวนะอันอื่นก็ศูนย์ไปหมดเลยโลปูมั่นท่านเคยสอนนะเหมือนนับเลขบหนึ่งสองสาี่ห้าก็ดปดแล้วก็ศูนะ สะสมเข้าไปตั้งมากมายนึกว่าจะมีอะไรมากมายสุดท้ายศูนย์ศูนย์ชนะนะถามว่าศูนย์มีค่าบวกค่าลบไหมไม่ ม, ไมีไม่ได้บวกไม่ได้ลบอะไรเป็นกลางเป็นกลางง้นเราใครฝึกนะแล้วเราจะพบว่าน่าอาศัศจรรย์ที่สุดจะอุทานว่าอาศัศจรรย์พระเจ้าค่าถ้าเจอพระพุทธเจ้านะ ธรรมะของพระองค์เายง่ายๆอัศจรรย์ตรงนี้แหละเหมือนเปิดของคว่ำให้ไงนี่ของคว่ำเปิดให้ไงนี่ต้องเปิดให้ดังๆจะได้แก้ง่วงนะไม่ยากเหมือนคนจุดไฟขึ้นมามหวังว่าคนที่มีตาดีๆจะมองเห็นไม่ยากอะไรอย่างเราอยู่ในห้องมืดนะพระพุทธเจ้าท่านจุดไฟขึ้นมาสว่างเราก็มองเห็น ก็จุดไฟแล้วมันสว่างแล้วมันมองเห็นก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมเรื่องง่ายๆ่งั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะยังเป็นธรรมะที่ง่ายๆแจม่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนเปิดของคว่าให้ไงง่ายงั้นเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมะหลวงพ่อหรอกถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้นะการปฏิบัติของเราจะเหลือสั้นนิดเดียว การปฏิบัติธรรมจะไม่ยาวไม่ยืดเยื้อไม่ใช่ว่าต้องข้ามพบข้ามชาติอีกแสนแสนชาติบางสำนักสอนนะว่าต้องทำอีกเป็นแสนแสนชาติที่นี่ไม่สอนนะแสนแสนชาติสอนให้ปัจจุบันทำให้ได้ก็แล้วกันเถอะถ้าปัจจุบันทำไม่ได้นะอีกแสนชาติมันก็ไม่ทำอยู่ดีแห ล, ละนั้นต้องทำตั้งแต่ขณะนี้เลยวิธีปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรหรอกรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าลืมตัว อย่าลืมกายอย่าลืมใจอย่าเอาแต่ฝันไปอยู่ในโลกของความคิดพยายามรู้สึกตัวอย่าใจลอยไปในขณะเดียวกันอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจไว้นะแค่รู้สึกกายแค่รู้สึกใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจรู้สึกเรื่อยๆพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราหลุดออกจากโลกของความคิดนะความคิดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงไหมนะอย่างเราคิดนะสมมติว่าหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อ เนี่ยเป็นพระอย่างนี้แหละแต่วันหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยมีเมียได้ด้วยนะทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะคิดเอานะได้แต่ไม่ใช่ของจริงหรือชมพูคิดว่าเนี่ยอายุป่านนี้แต่งงานแล้วเนี่ยแต่วันหนึ่งเราจะเป็นนางงามจักรวาลรอยงเงี้ยคิดได้ไหมคิดได้แต่ไม่จริงเนีความคิดกับความจริงนะคนละเรื่องกัน เมื่อไรเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราก็อยู่ในโลกของความจริงความจริงที่เห็นคืออะไรคือรูปธรรมกับนามธรรมารูปธรรมนามธรรมานัของจริงนะส่วนสิ่งที่คิดสิ่งที่ฝันขึ้นมาเนะี่ยจินตนาการนะี่ยไม่ใช่ของจริงนั่นเราจะมาอยู่กับโลกของจริงอยู่กับรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายนะรู้สึกไปที่กายรู้สึกไปที่ใจรู้สึกเนืองเนืองถึงวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก ต้องตั้งเป้าให้ถูกต้องนะว่าอันแรกเราต้องเห็นกายเห็นใจตัวเองไม่ใช่ไปดูอย่างอื่นอันที่สองต้องเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงความเป็นจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เห็นจริงว่าอะไรมุมแรกจุดแรกเป้าหมายแรกที่ต้องเห็นคือเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเป้าหมายถัดไปถึงจะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นั้นเป้าหมายแรกต้องให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ผู้ใดเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะผู้นั้นเป็นพระโสดาบันบางคนมาถามหลวงพ่อนะว่าทํายังไงผมจะละกามได้ยังไม่ต้องรีบละอย่าผิดศีลห้าพอละเป้าหมายแรกไม่ใช่ไปสู้กับกามเป้าหมายแรกไม่ใช่ไปสู้กับอวิชชาเป้าหมายแรกสู้กับสักยทิทิชกก็ชกให้ถูกคู่ชกเรานะอย่าชกข้ามรุ่น มีน้ำหนักนิดเดียวนะไร้ไฟเวทชกอะไรเฮฟวีเบทอะไรเงี้ยก็ตายตายคาที่ไม่ก็ชกสองทีก็ท้อใจแล้วโอ้สู้มันไม่ได้ชกก็ช ก, ชกให้มันถูกคู่ชกนะแค่ชกกับสกายัตทิถนะีเป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทนะสู้มันกว่าจะชนะก็แย่แล้วนะงั้นไม่ต้องไปชกกับคนอื่นชกกับสกายัตทิฐีไว้สกายทิฐิคือความเห็นผิด ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรานะว่าตัวเรามีอยู่จริงๆฉะนั้นเราจะต้องรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ต้องเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาของเราทุกวันนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปดูซิมันเป็นเราหรือไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่คิดเอานะหลวงพ่อพูดให้ฟังอีงนี้เพื่อนําร่องให้จิตมันดูตามเท่านั้นเอง อ่าจิตมันฟังธรรมะไว้แล้วนะมันฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดซ้ําแล้วซ้ํำอีกว่าต้องมารู้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราไม่มีนะเนี่ยฟังอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะแล้วก็หัดรู้หัดดูไปแต่เดิมเวลาเราไปรู้กายรู้ใจบางทีมไปรู้อยู่เฉยเฉยนะรู้นิ่งน่งรู้เฉยเฉยอยู่ที่กายที่ใจใช้ไม่ได้มันไม่มีปัญญามันมีแต่สติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจแต่มันไม่มีปัญญาเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ปัญญาของเราไม่เกิดเองนะปัญญาของเราเนี่ยต้องอาศัยการฟังเพราะเราอยู่ในสาวกภูมินะงั้นหลวงพ่อก็เลยพูดให้ฟังว่าต้องรู้นะว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเรางั้นต่อไปพอจิตมันเริ่มซึมซับนะอันนี้เรียกว่าเรียนปริยัตินะเรามารู้กายเรามารู้ใจพอใจเราไปนิ่งเฉยๆเนี่ยสติปัญญามันจะเตือนบางทีได้ยินเสียงหลวงพ่อไปเตือนนะบอกดูสิกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานะ ดูลงไปมันเป็นมุมมองของจิตไม่ใช่การคิดเป็นมุมมองของจิตนะจิตมันมองในมุมของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเพราะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเพราะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเพราะเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ <S 2> <S 2> มองมุมไหนก็ได้แล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยนะ ไม่คอยรู้สึกอยู่ที่กายคยรู้สึกอยู่ที่ใจแล้วก็อย่ารู้สึกเฉยๆถ้าเฉยๆนะธรรมะของหลวงพ่อก็จะไปเตือนว่าเฮ้ยต้องเห็นไตร ล, ลักษณ์นะต้องเห็นนะมันไม่ใช่เราการที่เห็นว่าไม่ใช่เราเรียกว่ามีทัศนะขึ้นมานะเห็นตรงความเป็นจริงแล้วมีทัศนะคือการการเข้าไปเห็นนะงั้น โซดาปฏิมัคเนี่ยเกิดจากทัศนะเกิดจากการเข้าไปเห็นถัดจากนั้นเนีเกิดจากภาวนาน่ะมักเบื้องสูงเกิดจากการภาวนาหมายถึงเจริญสติไปเรื่อยเจริญสติรู้กายเจริญสติรู้ใจซึ่งไม่ใช่ตัวเรานี่แหละรู้ไปเรื่อยเห็นที่ไรก็มีแต่ทุกข์นะเห็นที่ไรก็มีแต่ทุกข์นะถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งกายนี้ทุกข์ล้วนๆเนี่พอเห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆนะจะได้พระหนักขาแล้ถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆจะเป็นพระอรหันต์ละ นี่หลวงพ่อพูดให้ฟังนําร่องให้จิตไว้นะไว้วันหนึ่งพวกเราภาวนาไปติดขัดตรงนี้นะก็จะรู้สึกว่าหลวงพ่อเดินทุบๆๆไปนะอุ้ยไอยไปบอกเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่นะนี่มันเป็นทุกล้วนๆ น, นะ น, นะนี่เรียกว่าฟังธรรมะด้วยใจนะเสร็จแล้วใจจะซึมซับธรรมะเอาไว้ถึงเวลาจวนตัวแล้วธรรมะจะเตือนเราขึ้นมาเอางสอนเราได้ เนตคอยฟังนะฟังไปเรื่อยฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจอย่าใจลอยอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจคนในโลกนี้ใจลอยตลอดไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกส่วนนักปฏิบัติทั้งหลายนะไม่ว่าฝึกมาจากไหนจริงๆแล้วเป็นนักเพ่งคนไหนรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบ ก, ก็ไปเพ่งท้องคนไหนเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าก็ไปเพ่งอยู่ที่เท้า คนไหนขยับมืออย่างหลวงพระเทียนส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งใส่มือคนไหนรู้เวทนาไปนั่งดูเวทนาไปเพ่งเวทนาบางทีก็อยากให้เวทนาหายนะนั่งยังไงจะไม่เมื่อยก อ, อยากนั่งไม่เมื่อยเหลอไม่ยากนะให้เขาตัดไขสันหลังออกไปนะบล็อกซะเอาเข็มจิ้มไหมนะนั่งไปได้ตลอดเพราะเราไม่ได้ฝึกไปเพื่อเอาชนะขันห้าฝึกไปให้เห็นขันห้ามันไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เห็นเลยความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่ใช่ตัวเราเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เห็นในยกุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมผ่านมาผ่านไปมีช่องว่างระหว่างจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนะกับอารมณ์ซึ่งจิตไปรู้เข้า อารมณ์ที่จิตไปรู้เข้ามีตั้งแต่ร่างกายเวทนานะมีกุศลอกุศลทั้งหลายนี่คือตัวสังขารต่อไปก็เห็นอีกตัวจิตเองก็เกิดดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จใจแล้วก็ดับเนี่ยวนเวียนอยู่ที่กายที่ใจนะคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวเห็นเป็นอย่างนี้เรื่อยๆทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราอยู่ห่างๆนะ อยู่ห่างๆไปหมดเลยไม่ใช่ตัวเราถึงว่าหนึ่งมันหลุดออกไปเลยนะหลุดออกไปเลยแม้ก็เข้ามากระทบกระทั่งกันอีกแล้วจิตนี้เข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกแล้วอยู่ห่างๆไปหมดเลยพออยู่ห่างๆแล้วจิตก็ไม่มีภาระสิจิตก็โล่งโปร่งเบามีแต่ความสุขล้วนๆนะทุกวันนี้จิตของเราถูกบีบคั้นตลอดเวลาเวลามีความอยากใดๆเกิดขึ้นจิตก็ถูกบีบคั้นทุกทีเลยถูกอารมณ์ครอบงําถูกอารมณ์ห่อหุ้ม ถูกอารมบีบคั้นถ้าเราฝึกสตินะทุกอย่างมันห่างออกไปหมดใจก็โปร่งเป็นอิสระขึ้นมาไม่ถูกห่อหุ้มเอาไว้ฝึกนะท่านถึงใช้คําว่าหลุดพ้ น, นไม่ใช่ใช้คําดีนะหลุดพ้นนะมันหลุดออกมามันพ้นออกมานะไม่ใช่ว่าไม่มีขันแต่มันหลุดพ้นจากขัน น, นคําของท่านถูกเ ป, เป๊ะเลยนะไม่ใช่ชนะขั น, นไม่ใช่ว่าทํายังไงจะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ใช่ว่าทํายังไงจิตจะไม่คิดนะ เมื่อวานก็มีเจ้าวาทะมาองหนึ่งบอกผมฝึกไม่ให้จิตคิดแล้วฝึกสำเร็จไหมล่ะสำเร็จครับผมเก่งผมฝึกสำเร็จเลยบอกเออสำเร็จไปแล้วนั่ น, น ะ, นะจิตมีหน้าที่คิดนะไม่ใช่ว่าจิตของพระพุทธเจ้าไม่คิดนะไม่ใช่จิตพระอราหันต์ไม่คิดนะจิตมีหน้าที่คิดแต่ท่านไม่ยึดถือนะ ร่างกายมีหน้าที่ทุกเจ็บป ว, ปวดตรงน้นปวดตรงนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะขันของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างเดียวกันวันที่ท่านจะเดินทางไปกุสินาราจะไปปรินิพานท่านกระหายน้ําเห็นไหมไม่ใช่ขันของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักหิวไม่รู้จักกระหายไม่รู้จักเหนื่อยไม่ใช่ท่านกระหายน้ำนะเป็นนั่งใต้ต้นไม้เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วนะขันพระพุทธเจ้ายังไม่ใช่พ้นจากทุกนะ แต่จ so so ิตของท่านพ้นจากทุกเพราจิตของท่านพ้นจากขันง kind of kind of ั like? kind of ้นเราอย่าไปตั้งเป้าการภาวนาที่เพียนเพียว่าทํายังไงขันจะไม่ทุกขันเป็นตัวทุกขันยังไงก็ต้องทุกแต่ทํำยังไงขันมันเป็นทุกแต่เราไม่ทุกไปกับขันอยู่ตรงนี้ั้งหากถ้าเราเห็นว่าขันไม่ใช่ตัวเราเราปล่อยวางขันนะเราก็ไม่ทุกไปกับขันนี่ก่อนจะปล่อยวางขันได้ต้องให้เห็นก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเรางั้นการเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นเป้าหมายที่หนึ่ง ราะหมายถัดไปนะั้นจึงจะปล่อยวางขันรานะหมายแรกเห็นก่อนมันไม่ใช่เราถ้ามันยังเป็นเรามันไม่ปล่อยหรอกนะงั้นอยู่ๆจะเป็นพระราหารันไม่ได้นะอยู่ๆก็ต้องเป็นพระโสดา บ, บันก่อนเห็นก่อนไม่ใช่เร า, นะาไม่ใช่เราแล้วก็ดูไปเรื่อยเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเป็นตัวทุกข์ก็ถึงจะยอมปล่อยเนะี่ยค่อยๆเรียนนะงั้นจุดแรกเลยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าใจลอย พอรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจนะกายมีอยู่รั่วมีอยู่ใจมีอยู่รั่วมีอยู่แค่นั้นพอแล้วนะกายเป็นอย่างไรรั่วเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรั่วเป็นอย่างนั้นนะตรงนี้คีย์เวิร์ดทั้งนั้นเลยนะในการปฏิบัติฟังเที่ยวเดียวจำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะหลวงพ่อเทศเหมือนกันทุกวันนะนะไปฟังซีดีก็ได้นะแต่ว่าอรรถรสไม่เหมือนกันนะ คือความรู้ความเข้าใจของเราเองต่างหากที่ไม่เหมือนกันอะตรวจกันบ้านพวกอยู่วัดใครมาก่อนเชิญวันนี้ก็มีกดกๆอยู่ครับแต่มันก็เบาแล้วก็มีฟุ้งซ่านอืใจไม่ตั้งมั่นครับนะรู้ไปใจมีความสุขมากกว่าเมื่อวานค่ะแต่ว่ามันไปประคองอ ะ, ะค่ะอย่าไปประคองนะ ให้มันดิ้นไปดิ้นมาอย่าไปรักษามันไว้ทําไมเราต้องรักษาใจเราไว้ไม่ยอมให้มันหนีไปเพราะเรายึดถืออย่างเหนียวแน่นว่ามันคือตัวเราเพราะนั้นเราเห็นว่าจิตนี้คือตัวเราเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบถ้าดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรได้ยิ่งดีใหญ่เพ้นไ้ภาวนาแทบเป็นแทบตายนะอยากดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรเพื่ออะไรเพื่อตัวเราจะได้สบาย สุดท้ายเนี่ยภาวนาเพื่อตัวเรานะให้รู้ทันลงไปอีกรู้ทันรู้ทันในที่สุดนะกิเลสไม่มาแอบแฝงอยู่ในใจหรอกทนกำลังของสติปัญญาไม่ได้นะมันจะว่องไวขึ้นเรื่อยๆรู้ชัดขึ้นเรื่อยเอะไรแอบแฝงเข้ามานะสติระลึกปับ๊บเลยปัญญานี่สอดส่องเข้าไปขาดสะบั้นหมดนะความปรุงแต่งใดๆมาสร้างพบสร้างชาติขึ้นในหัวใจของเราไม่ได้อีกแล้วใ่อฝึกไปดีชมพู รู้รู้สึกตัวไม่ไม่ค่อยชัดนะครับอยากชัดไห ม, ไมก็มีเสียงมาเตือนว่าอย่าอยากชัดยังดีนะเสียงหลวงพ่อยังดีบางทีเสียงคนอื่นนะมันน่ากลัวมากเลยเสียงซึ่งไม่เคยได้ยิน <c oughs> มีเรื่อยๆนะที่วัดนี้มันไม่ตั้งมั่นใช่ไหมครับไม่ตั้งมัน่น ไปกดมันไว้ด้วยตอนนี้นะแล้วจิตมีโมหะนิดหน่อยมัวมัวมัวแล้วฟุ้งซ่านรู้หรอไหมรู้ไม่ชัดรู้เท่าที่มันเป็นนะไม่ใช่ไปฝึกให้มันดีไม่ดีก็ได้รู้อย่างที่มันเป็นเช่นมันฟุ้งซ่านรู้ว่าซ่านมันมัวรู้ว่ามัวนะรู้อย่างที่มันเป็นมันไม่มีเรียวมีแรงรู้ว่าไม่มีแรงเนี่ยสมมุตินะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใช้ได้เลย แล้วทำสมถะจะทำตอนไหนครับสมถะทำตอนที่ดูกายก็ไม่ได้ดูใจก็ไม่ได้แล้วทำสมถะก็ต้องทำเบาๆทำสบายๆอย่าทำแบบเคร่งเครียดทำแบบเคร่งเครียดไม่มีความสุขต้องทำให้สบายๆให้มีความสุขจิตถึงจะสงบพอจิตสงบแล้วเราก็รู้ทันว่าจิตสงบนี่เรามีแรงแล้วเรากลับมาดูจิตได้แล้วเราก็ดูจิตเรื่อยจิตตอนนี้สงบ เราออกจากสมาธิมันจิตเริ่มฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านนะเราก็ดูจิตไปเรื่อยๆตอนไหนมันไปรู้กายก็ไม่ว่ามันก็รู้ไปทั้งกายรู้ทั้งจิตถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูกายไม่ได้ก็รู้จิตนะรู้ไปเรื่อยถ้ารู้กายรู้จิตไม่ได้ก็ทําความสงบเข้ามาทําความสงบก็ยังไม่ไหวอีกก็พักผ่อนสวยเครียดจัดละก็พ Jean ักผ่อนเะฉนั้นการพักผ่อนก็จําเป็นนะพักผ่อนก็นอนหรือ ผ่อนคลายก็ได้นะอ่านหนังสือก็ได้ทําอะไรก็ได้อย่าหมกมุ่นในการปฏิบัติเราต้องจริงจังในการปฏิบัตินะแต่ไม่หมกมุ่นในการปฏิบัติจริงจังหมายถึงว่าฝึกของเราทุกวันเลยไม่ท้อถอยดูมากเท่าที่สุดเท่าที่จะดูได้รู้สึกไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ดูแบบเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ดูอย่างนี้นเราเครียดดูด้วยโลภะด้วยตัณหาใช้ไม่ได้ใจจะเครียดเครียด ดูเล่นๆไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปมันคงได้สักชาติหนึ่งต้องทำใจขนาดนี้นะถ้าทำใจได้ขนาดนี้เราจะได้ในชาตินี้แหละถ้าชาตินี้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้กูจะต้องเอาให้ได้นะหลวงพ่อรู้จักพี่คนหนึ่งนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ไวยนี่แหละแกบอกหน้าว่าแกจะทำสามเดือนนี่ผ่านมาเนิ่นนานเพื่อจาตั้งเป้า หน้าที่ของเราทำเหตุส่วนผลจะได้เมื่อไหรนะ่นะนะมันได้สมควรแก่เหตุหน้าที่เราทำเหตุอย่างเดียวหวังผลไม่มีประโยชน์อะไรหวังผลนี่เลื่อนลอยลนะนะอย่างเราหวังผลว่าเราจะต้องเป็นพระโสดาในวันนี้อนี่เลื่อนลอยไปแล้วหน้าที่เราทำเหตุให้มากๆคือรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากนะส่วนว่ามันพอสมควรแล้วมันก็ได้ของมันเองอย่าอยากนะภาวนาด้วยความอยากไปไม่รอดกรรวัสงฆ์ครับ จะปฏิบัติมาหลายที่นะครับแล้วก็จะติดเพ่งแล้วที่ผ่านมาก็ปฏิบัติหลายที่ใช่ไหมครับแต่ที่หลวงพ่อเ น, นี่ยมีอีกที่หนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครเขาปฏิบัติกันหลวงพ่อปฏิบัติที่ปัจจุบันครับรู้กายลงปัจจุบันรู้ใจลงปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติที่ไหนเลยนะอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆ ถ้าเข้าใจตรงนี้นะไม่ว่าจะไปใช้รูปแบบกรรมฐานสำนักไหนใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจคําว่าปัจจุบันการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันด้วยจิตที่เป็นกลางนี่คีย์เวิร์ดนะมีสติรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันด้วยจิตที่เป็นกลางถ้าไม่เข้าใจตัวนี้ไม่ว่าจะทํากรรมฐานในสำนักใดก็จะเป็นการเพ่งทั้งหมดเลยเจ้วตอนนี้เพ่งอยู่ไหมครับยังเพ่งอยู่นะ แต่คุณรู้แล้วใช่ไม้มเรื่องของการเจริญสติครับนะคุณฝึกตรงนี้เรื่อยๆนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจิตจะสงบก็ช่างมันจิตจะฟุ้งซ่านก็ช่างมันจิตจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันเป็นยังไงแค่รู้ไปเรื่อยๆนะคุณหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปสติที่แท้จริงมันเกิดคราวนี้ไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรได้หมดเลยบางทีสติไปรู้ลมหายใจเราก็เห็นในร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจ Iner, บางทีเห็นท้องพองยุคมันก็เห็นเลยรูปมันพองรูปมันยุบไม่ใช่เราพองเรายุบเห็นนุนยกเท้าย่างเท้าขึ้นมาเราก็เห็นในรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินนี่จะเห็นเลไม่มีเราขยับไม้ขยับมือเห็นเลยรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นเวทนามันเกิดขึ้นมันดับไปไม่ใช่เรากุศลอกุศลเกิดขึ้นก็เห็นอีกกุศลมันเกิดขึ้นระดับกุศลเกิดแล้วก็ดับไม่มีเราย ฝึกอย่างนี้นะไม่ว่าทํากรรมฐานอะไรได้หมดเลยเพราะหัวใจของมันอยู่ที่เรามีสตินะรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันด้วยจิตที่เป็นกลางถ้ารู้กายรู้ใจลงปัจจุบันแต่ไม่เป็นกลางใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่จะไปถลําลงไปเพ่งลงไปแก้ไขอนะไรเงี้ยไปดัดแปลงไปทําให้ฟุง้งซ่านต้องรู้เล่นเล่นรู้สบายสบายดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ทั้งหมดเสมอภาคกัน สภาวะธรรมทั้งหลายนั้นโดยความเป็นจริงแล้วมันเสมอภาคกันทั้งสิ้นเราไปให้ค่ามันนะเราก็อยากอันนี้เราก็เกลียดอันโน้นทันทีที่เราอยากเราก็เกิดการดิ้นรนในใจที่จะเอาไว้ทันทีที่เกลียดแเรวก็เกิดการดิ้นรนที่จะผลักมันออกไปความดิ้นรนเกิดขึ้นทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั้นงั้นเรารู้ไปเรื่อยนะในสุดรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางจิตหมดการดิ้นไม่จิตไม่ดิ้นจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่สักว่ารู้สักว่าเห็น ก็จะเห็นทุกอย่างไม่ใช่เราสักอันเดียว <_ d ise> เหลือสี่นาทีอ้าวใครจะยกมือนี่หนุยหนุยยกมือก่อนทีมนี้เขามีป้ายตัวใหญ่ๆถ้านั่งข้างหลังติดป้ายที่หน้าอกก็ไม่มีประโยชน์ต้องทำด้ามมาต่อด้วยอ้าวว่าไปนมสดกการขลวงพ่อช่วงหลังๆรู้สึกแบบจิตมันจมอยู่กับความคิดตลอดเลยค่ะผุดๆุดโพโค่ะ แต่ก็ดูไปว่ามันมันคิดของมันเองอะคะ่ะแล้ที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้ดูโทสะค่ะหลังๆรู้สึกว่ามันจะหลงหลงมากกว่าโทสคะค่ะเพราะ อ, อะไรแต่เดิมเนี่ยโทสะเราแรงนะพอเรารู้ทันไปเรื่อยนะสติเราเร็วขึ้นเนี่ยพอมันเริ่มหลงเราก็มองเห็นแล้วโทสะเป็นหลานของความหลงเป็นลูกของราคะงั้นถ้าเราเห็นตัวต้นตระกูลมันนี่ต้นตระกูลไทย ตนตระกูลจีนตระกูลมอนนะตระกูลสัตว์โลกคือหลงนั่นแหละหลวงพ่อคะแล้วตอนนี้แบบทําอะไรอ่อนน้อยไปหรือมากไปไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบมันมา ก, มกไปทำไม่มีความสุขให้มันมีความสุขมากกว่านี้นะรู้ไปอย่างผ่อนคลายนะแตท่ที่แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขนะคะต้องรู้สึกไปอย่างมีความสุขพอนะมีความสุขแล้วมันร่อแหลมมากที่จะหลงคานะบเกี่ยวกันนี้เดี๋ยวเหลอนี้เดี๋ยวหลงละ นั้นจุดที่รู้สึกตัวน no euh in ี่นะเล็กที่สุดเลยพลาดแต่ทางนี้นิดเดียวก็หลงไปแล้วพลาดทางนี้ก็เพ่งไปแล้วแต่เดิมเราคิดว่าความรู้สึกตัวกว้างกว้างกว้างแค่นี้ความรู้สึกตัวแหมวิ่งตั้งนานกว่าจะหลงวิ่งตั้งนานกว่าจะเพ่งต่อมาพอสติปัญญาเราเร็วในความรู้สึกตัวเหลือแค่นี้ละนิดเดียวนิเหลือแค่นี้ก็ไปแล้วแล้วเราก็พอมันขยับนิดนึงเราเห็นเนี่ยนะราคาโทวสามไม่เกิดละ โมหามันเกิดเราเห็นทันซะแล้วแต่ถ้ามันยังมีพีเรียดมีระยะเวลานะแหมดาววันี่นานนี่หนะละราคะโทสะมีเวลาเกิดหลวงพ่อคะแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าหนึ่งอาทีะคะ่ะให้ดูว่ามันหลงไปกี่ทีะคะ่ะเออได้เท่าไหร่จริงๆไม่รู้ดูเป็นหรือเปล่าคะ่ะหลวงพ่อห้วงพ่อสอนหน่อยดิคะ่ะนะล้วได้เท่าไหร่ล่ะ ด, ดไูไม่ได้ใจอะคะ่ะว่าดูเป็นหรือเปล่าณขณะนี้กําลังหลงอยู่รู้ส<ช>ึกไหมเออ เยหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมจะไปสังเกตมันว่าหลงยังไงคเ <Yeah. S 1> น, นี่ยหลงซ้ําซ้อนเนี่ยไปอีกหลงหนึ่งล้วรู้สึกไหมเนี่ยไปอีกหลงหนึ่งล้วเห็นไหมจิตมันทํางานขึ้นแต่ละคราวแต่ละคราวนี่นะมันจะมีโมหะประกอบอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเรารู้ไม่ทั น, นตอนนี้ไปบังคับไว้ก็หลงไปอีกแบบหลงบังคับเ น, นี่ยตรงนี้ใช้ได้ตรงที่คาแต่เกียรู้สึกไหมไม่ได้ทําอะไรแต่รู้สึกขึ้นม ดน้นตรงที่ไม่ได้ทําอะไรแต่รู้สึกนั่นใช้ได้ตรงที่ทําอะไรแล้วรู้สึกก็ใช้ไม่ได้นะตรงที่ทําอะไรแล้วไม่รู้สึกนี่แย่สุดๆเลยเอาโยมไปทานข้าว